มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานาวามะวะักนิพานสะอทุขะมิสะภาวะปัญหาที่สี่ ว่าพระนิพพานมีสุขอย่างเดียวหรือหรือเจือไปด้วยทุกข์บ้างสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาเอกันตะสุ ข, ขังนิพพานังอันว่าพระนิพพานนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขแท้หรือหรือว่าจะเจือไปด้วยทุกข์บ้างพระผู้เป็นเจ้า พระนาเคเสสนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิธพระราชสมภารอันว่านิพานนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขจะได้จานจือด้วยความทุกข์หามิได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาเคเสนฆะ่าแต่พระนาเคเสสนผู้ปรีชาผู้เป็นเจ้าว่านั้นโยมไม่เชื่อ โยมเห็นว่าพระนิพพานเจือไปด้วยทุก์เป็นแท้พันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าธรรมดาพระอยู่ขาวจรเจ้าสแสวงหาพระนิพพานนั้นลำบากกายทรมานกายด้วยอริยาบททั้งสี่คือจะเดินก็ภาวนาจะยืนก็ภาวนาจะนั่งก็ภาวนาจะนอนก็ภาวนา จะบริโภคอาหารก็ต้องปัจเจเวกทุกคำอาหารต้องนั่งทรมานจะนอนก็ไม่เต็มตาต้องรักษาจิตสำรวมอินทรีย์ไม่ได้ส่งจิตไปตามอายตนะละญาตละมิตรละหมู่ละคณะถือสันเลขะสันโ ด, ดอยู่ไพรสนอันสงัดแต่ผู้เดียวดูนี่ลำบากเป็นล้นเหลือเหตุดังนี้ โยมจึงว่าพระนิพพานนั้นเจือไปด้วยทุกที่เขาไม่สแสวงพระนิพพานเขาก็เป็นสุขสบายเหมือนหนึ่งหญิงชายทั้งหลายนี้เขาไม่สํารวมอินทรีย์เขายินดีในอายตนะคือเบญจา ก, การมาคุณห้าประการคือมาถือสุภนิมิตในรูปยินดีในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถูกต้องที่ว่ายินดีในรูปนั้นเป็นต้นว่า รูปหญิงรูปชายอันฟ้อนรำก็สําคัญเป็นสุภพนิมิตว่างามนั้นประการหนึ่งที่ว่ายินดีในเสียงนั้นคือยินดีในเสียงดุริยางคดนตรีและเสียงขับร้องอันจะให้เกิดราคะนั้นประการหนึ่งที่ว่ายินดีในกลิ่นนั้นคือกลิ่นเกสรดอกไม้ทั้งลูกไม้ใบไม้แก่นไม้เปลือกไม้ยางไม้อันหอมให้เกิดราคะ บำรุงราคะนั้นประการหนึ่งที่ว่ายินดีในรถนั้นพระหุวิวิทะสุภะรสายะนิมิเตคือยินดีในขาทนิยะโูชนิยะอันมีรถดีมีอย่างต่างต่างประการหนึ่งที่ว่ายินดีในสัมผัสถูกต้องนั้นคือยินดีที่จะให้กายถูกต้องซึ่งสิ่งอันนุ่มอันอ่อนคือฟูกหมอนอันอ่อนเป็นที่จะบริโภคนั้นประการหนึ่ง เรียกว่าเบญจา ก, การมคุณห้ามีรูปายตนะเป็นอาธิมีกายายตนะเป็นปริโยสารถ้าจะว่าด้วยอายตนะหกก็นับเอารูปายตนะเป็นต้นมานายตนะเป็นที่สุดและมานายตนะนั้นคิดไปในใจตามวิสัยจิตคิดไปนั้นคนทั้งหลายเขาสบายเป็นสุขสมราญดังนี้ แต่พระอยู่ข่าววจรผู้สแสวงหาพระนิพพานนั้นลำบากนักลำบากหนาข้าเสียซึ่งความเจริญหกประการคือไม่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและจิตไม่กำหนัดในสุขุมรูปซึ่งบัญญัติตามใจของตนเมื่อกระทําชะนี้จะมิร้อนรนในกายหรือครั้นกายร้อนรนแล้ว จิตของตนก็พลอยไม่สบายเกิดรสสัมรสายเสวยทุกอัญยุติในเจตสิกนั้นเพราะทรมานอินทรสองประการคือกายจิตไม่ยินดีก็สมด้วยคำมาคันธิยะปริภาชกยกข้อความตีเตียนลบหลู่สมเด็จพระบรมครูผู้ประเสริฐว่าพระสมณะโคดมนี้ข้าเสียซึ่งความเจริญไม่ยินดีอะหังพรุรูมิ เหตุดังนี้นะพระผู้เป็นเจ้าโยมจึงกล่าวว่าพระโยคาวจรผู้สแสวงหาพระนิพพานนี้มีแต่ทุกข์ปราศจากสุขที่แท้จะว่าไม่มีทุกข์อย่างไรพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเอกันตะสุขขังนิพพานังพระนิพพานนี้เป็นเอกันตะสุข มิได้เจือไปด้วยทุกข์โดยแท้แต่เมื่อแรกยังสแสวงหานั่นแหละเป็นทุกจริงครันว่าได้แล้วประกอบด้วยสุขเกษมโดยแท้ดังอัตมาจะถามบอพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าราชสมบัติแห่งบรมกษัตริย์ทั้งหลายนี้เป็นสุขอยู่หรือว่าเจือด้วยทุกเล่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอรการตรัสว่า พันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาธรรมดาว่าราชสมบัติแห่งบรมกษัตริย์ทั้งหลายมีแต่สุขกเกษมสบายพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอาตมาเห็นว่าราชสมบัติเจือไปด้วยทุกข์สมเด็จพระเจ้าวิริณภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายานอันว่าสมบัติบวรราชสริงคานี้มีแต่สุขเหตุใยพระผู้เป็นเจ้าจริงว่าราชสมบัติเจือไปที่ทุกเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐอันว่าราชสมบัติประกอบไปด้วยทุกนั้น เมื่อข้าศึกมารบพุ่งข้าตีฝูงประชาในขอบขันทศีมาอันเป็นปัจจันตะประเทศคามนิคมพระมหากษัตริย์ทรงพระปรารม์เป็นทุกข์กลัวว่านิคมประเทศขอบเขตของพระองค์นั้นจะย่อยยับจะต้องทรงเอาเป็นธุระปราบปรามข้าศึกนั้นประการหนึ่งเมื่อข้าศึกตีบุกรุกเข้ามาล้อมพระนครไว้บรมมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยทุกข์ที่สุดแล้ว ต้องกะเกณซึ่งโยธากล้าหารออกไปรบบางทีก็อับปราชัยบางทีก็มีชัยได้ความลำบากไม่มีสุขเหตุชะนี้จิงว่าราชาสมบัติเจือไปที่ทุกแสนทรมานสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาธรรมดาว่าราชาสมบัติจะมีแต่ทุก เมื่อค่าศึกมาต้องแสวงหาอุบายให้โยธาตีให้แตกไปขันไดซึ่งสมบัติหาฆ่าศึกไม่แล้วก็พองแผ่วมีสุขอันยังทุกขังที่ทุกเดิมนั้นก็เป็นอื่นคลายหายไปพระนาคเกษนจริงถวายพระพรว่ายะถาความเปรียบนี้ฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเมื่อแรกแสวงหาพระนิพพานนี้ กายันจากจิตตันจะยังกายและจิตให้ทรมานคือว่าจะยืนจะเที่ยวจะนั่งจะนอนจะบริโภคนั้นก็มีสติพิจารณาผูกจิตอยู่ในกิจปฏิบัติที่ทรงพระบัญญัติไว้นั้นจิตและกายจึงทุรนทุรายไม่สบายด้วยทุกทรมานครั้นได้พระนิพพานแล้วพ่องแพ้วจากทุกมีแต่สุข ซึ่งทุกเดิมนั้นอันยังอันยังก็เป็นอื่นคืนคลายหายไปเอวะเมวะมีอุปมาเหมือนกัตสัตว์อันได้สมบัติกำจัดฆ่าศึกเสร็จแล้วก็ปราศ จ, จากทุกข์มีแต่ความสุขนั้นมหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการเหตุอุปมาให้ยิ่งกว่านี้ถ้ามิฉนั้น เหมือนว่าสิทธิ์ที่เรียนวิชากับอาจารย์ได้วิชาศิลปศาสตร์แล้วมีสุขอยู่หรือสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอง่งการตรัสว่าอามะพันเตเออกรนั้นสิผู้เป็นเจ้ามีสุขอยู่พระน่าเกษจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อแรกสิทธิจะสแสวงหาวิชาการนั้น มีสุขอยู่หรือประการใดนะบ่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่านหิพันเตศิษฐ์แรกเรียนวิชาหาความสุขไม่ได้นะผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าเป็นเหตุประการใดเมื่อแรกเรียนนั้นศิษจริงไม่มีความสุขเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิทราธิบดี มีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเห็นว่าสิทธ์ทั้งหลายต้องไหว้ต้องกราบต้มน้ำให้อาบให้ฉันและปฏิบัติกระทำเคารพอาจารย์การเบ็ดเสร็จทั้งปวงนั้นต้องหาไม้สีฟันขันน้ำตั้งไว้และนวดฟันขันเท้าทุกประการยามจะบริโภคอาหาร ย่อมรับประทานแต่ที่รัคนดูลำบากอดอดอยากอยากต้องลำบากกายสังวัตทยายวิชาเรียนเพียรไปครั้นได้สมบัติวิชาแล้วก็เป็นสุขจะเจือไปด้วยทุกข์หาไม่ได้เลยเป็นดังนี้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษดจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความเปรียบประการนี้ ยถามีคารุวนาฉันใดก็ดีพระอยู่ข่าวาจรเจ้าเมื่อแรกสแสวงหาพระนิพพานนี้ลำบากเจือไปด้วยทุกขครั้นได้พระนิพพานแล้วก็แพ่วทุกข์มีแต่สุขมีอุปมาเหมือนสิทธิ์เรียนวิชากระนั้นลำบากแต่เดิมครั้นได้เรียนวิชาศิลปศาสตร์สาสเร็จแล้วแพ่วทุกข์มีแต่ความสุขฉันนั้น บ่พิจงทราบในพระบวรราชสันดานในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้าวิลินปินธรณีก็สิ้นสงสัยสาธุการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้ควรแล้วสัมปฏิจฉามิโยมจะรับคำจำไว้ณการบัดนี้ นิพพานะสะอทุกขมิสะภาวะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้